ก็ย่อมมาเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งอยู่ในจิตใจจิตใจก็ไม่วางจากสิ่งเหล่านั้นหากจิตใจวางได้ ไม่ใส่ใจถึงไม่หมกมุ่นถึงไม่คิดถึงไม่ดำริถึงสิ่งนั้นนั้นก็ไม่มาตั้งอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตรักษาจิตใจนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญ อยู่ที่ไหนที่ไหนเมื่อปฏิบัติรักษาจิตใจได้ก็ปฏิบัติในศีลได้ในสมาธิได้ในปัญญาได้ต่อจากข้อนั้นพระภูมิพระภาคพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนต่อไปให้ ไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นป่าซึ่งประกอบไปด้วยต้นไม้ภูเขาห่วยน้องคลองบึงที่ลุ่มที่ดอนเป็นต้นซึ่งรวมเรียกว่าป่านั้นแต่ให้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นแผ่นดินลุ่น ปราศจากต้นไม้ภูเขาหว่หน้องครองบึงลุ่มที่ดอนเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปทั้งหมดเหมือนอย่างแผ่นหนังสัตว์ที่ ได้มาจัดการทำให้ราบเรียบดีแล้วเหมือนอย่างหนังหน้ากลองผืนใหญ่ราบเรียบไปตลอดทั้งหมดดังนี้ ก็เป็นอันว่าได้ยังลงสู่สุญญาตาคือความว่างขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ว่างอยู่อีกสิ่งหนึ่ง ก็คือตัวแผ่นดินนั่นเองยังมีอยู่ในข้อนี้เป็นอันได้ตรัสสอนให้กำหนดธรรมสุญญตาคือความว่าง ที่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งสูงขึ้นมาจากป่ามาเป็นกำหนด่าเป็นแผ่นดินที่เรียบราบไปตลอดทั้งหมดเหมือนอย่างหนังหน้ากรอง ดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ย่อมจะได้ความสงบเป็นสมาธิขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแม่ในข้อนี้ ก็ย่อมเป็นข้อที่ผู้ต้องการปฏิบัติสมาธิพึงเห็นว่าปฏิบัติได้ในที่ทุกสถานเช่นเดียวกันและเมื่อได้ ขัดปฏิบัติใส่ใจกำหนดให้ได้ว่าเป็นป่าซึ่งเป็นข้อที่หนึ่งนั้นแล้วก็ให้มาใส่ใจกำหนดให้เห็นว่าเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปตลอดทั้งหมด ต่อไปและในสองข้อนี้ก็ควรที่จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกว่าข้อแรกความตั้งใจกำหนดว่าเป็นป่า ไม่มีบ้านไม่มีผู้คนนั้นย่อมรวมถึงไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิน่นไม่มีรสไม่มีผลิภัอันเป็นกามคือกามคุณหรือวัตถุ ก, กาม คือเป็นสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเพราะว่ากามหรือกามาคุณหรือวัตถุ ก, กามทั้งปวงนี้ย่อมรวมอยู่ในคำว่าบ้านรวมอยู่ในคำว่าผู้คน ฉนั้นเมื่อจิตใจไม่กําหนดถึงว่าเป็นบ้านไม่กําหนดถึงว่าเป็นผู้คนก็คือไม่กําหนดว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นตินเป็นรถเป็นผลิตภัพฑะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันรวมทั้งที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายด้วย คือไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายทั้งปวงอันอารมณ์ทั้งปวงดังกล่าวนี้ย่อมรวมอยู่ในคำว่าบ้านรวมอยู่ในคาว่าผู้คนรวมอยู่ในคำว่าเงินทองทรัพย์สินเป็นต้น ซึ่งเป็นบ้านนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใส่ใจกําหนดว่าเป็นบ้านก็คือไม่ใส่ใจกําหนดไปในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีความยินร้ายทั้ทงสิ้นมากําหนดหมายว่าเป็นป่า คือว่าเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นมึงครองหน้องที่ลุ่มที่ดอนต่างๆอันรวมความว่าเป็นปา่าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผดต่อาเป็นต้น ทั้งที่น่ารักใครทั้งที่ไม่น่ารักใครอันเป็นเรื่องของบ้านอันเป็นเรื่องของผู้คนเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเรียกว่าใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นป่า จิตจึงสงบจากกามฉชันจากพยาบาทเป็นต้นอันเป็นอิวอดดังนี้จึงเป็นสมาธิและกรรมาฐานที่เป็นอารมณ์ของสมาธินั้นก็คือว่าป่านั่นเอง ฉะนั้นจะต้องทำจิตกำหนดในบ้านในผู้คนเป็นต้นนี้ว่าเป็นป่าให้ได้จึงจะได้สมาธิตั้งแต่ในขั้นต้นจะหากว่ายังสงบกำหนดลงไปว่าเป็นป่าไม่ได้ ใจยังฟุ้งซ่านไปในนิวรณนทั้งหลายเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างดังนี้แล้วก็แปล ว, ว่ายังกำหนดอยู่ในบ้านในผู้คนทรัพย์สินทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของยินดียินร้าย ตลอดถึงหลงซึ่งเป็นตัวนิวรก็เป็นสมาธิไม่ได้จะต้องกำหนดลงไปว่าเป็นป่าให้ได้เห็นแต่ต้นไม้ภูเขาหุ่นน้องครองบึงที่ลมที่ดอนล้นเป็นป่าทั้งนั้นไม่มีอารมณ์อันเกี่ยวกับบ้า น, นเกี่ยวกับผู้คนที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้าง นี่คือป่าต้องให้กำหนดให้ตั้งอยู่ในจิตใจก็สงบนิวร์ได้จิตก็รวมเข้ามาเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นแม้การปฏิบัติในสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมที่ว่าเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมนั้น ก็คือกําหนดให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ใิ่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้ายังเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ก็ไม่เป็นกายไม่เป็นเมตนาไม่เป็นจิตไม่เป็นทัพยังไม่เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานเพราะว่ายังเป็น สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเขาเป็นของเขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการพิจารณากายเวทนาจิตทำคนใดคนหนึ่งก็ตามยังมองเห็นเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเขาเป็นของเขาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ก็เท่ากับว่าเป็นบ้านเป็นโมคุณยังเป็นกามเป็นกามโมคุณเป็นวัตถุกามต่อเมื่อมามองเห็นว่าเป็นสัจตว์ว่ากายเป็นสัจตว์ว่าเป็นเวทนาเป็นสัจตว์ว่าเป็นจิตเป็นสัจตว์ว่าเป็นธรรมเป็นธรรมชาติธรรมดาที่ปรากฏที่ประกอบกัน ดังนี้ก็คือว่าเท่ากับ ว, ว่ากำหนดใส่ใจเห็นว่าเป็นป่าป่ากายป่าเวทนาป่าจิตป่าธรรมเหมือนอย่างเป็นป่าต้นไม้ชนิดนั้นชนิดนี้ชนิดโ น, น้นเป็นภูเขาเป็นห้วยน้องคลองบึงที่ลุ่มที่ดอนเป็นต้น ไม่มาเป็นที่ตั้งของสัตว์บุคคลหรือตัวเราของเราอันที่จริงนั้นบ้านก็มาจากป่านั่นเองคนก็ไปตัดเอาไม้มาจากจากป่าเอามาสร้างเป็นบ้าน เป็นวัตถุเครื่องใช้ต่างๆสำหรับอยู่อาศัยต้นไม้นั่นเองเมื่อเอามาสร้างเป็นบ้านก็กลายเป็นบ้านขึ้นแต่อันที่จริงก็มาจากต้นไม้ยกเป็นตัวอย่างคือป่านั่นเองแล้วมาเป็นบ้านขึ้นตามที่บุคคลมาปรุงแต่งขึ้น สันใดก็ดีป่ากายป่าเวทนาป่าจิตป่าธรรมนี้ก็เป็นธรรมชาติเรียนธรรมดาเหมือนอย่างต้นไม้ภูเขาในป่านี้แหละแต่ว่าบุคคลนี้เองเอากายเวทนาจิตธรรมนี้มาแต่งตั้งขึ้นว่าเป็นในกรในขอนางกรนางของเป็นเราเป็นของเราคนเราทั้งนั้นมาแต่งตั้งขึ้นแต่งตั้งให้ป่านี้มาเป็นบ้านขึ้น ก็มาเป็นบ้านเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นข้อแรกจึงต้องให้เป็นป่าซะก่อนให้เป็นป่ากายกับป่าเวทนาป่าจิตป่าธรรมแล้วจะได้สติปัฏฐานเป็นความสงบสงบกามสงบปุสสนธรรมทั้งหลายสงบนิวรณ คราวนี้เมื่อต้องการให้ความสงบยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กําหนดป่านนั่นแหละว่าเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปทั้งหมดต้นไม้ก็ไม่มีภูเขาก็ไม่มีเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปทั้งหมดดังนี้ก็คือว่าเมื่อยังมีการจําแนก เป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมอยู่ก็ง่ายที่จะยึดถือไปเป็นบ้านเหมือนอย่างเมื่อยังมีต้นไม้อยู่ก็ยังง่ายที่จะตัดต้นไม้ไปสร้างเป็นบ้านเมื่อยังมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมอยู่ ก็เป็นการง่ายที่จะยึดถือเอาไปเป็นตัวเราเป็นของเราฉะนั้นในขั้นต่อไปที่ตรัสสอนให้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นแผ่นดินพื้นเดียวที่ราบเรียบไปทั้งหมดต้นไม้ก็ไม่มีภูเขาก็ไม่มีเวนน้องคลองเบึ้งก็ไม่มีดักนี้ก็เท่ากับ ว, ว่า ไม่ต้องคำนึงว่าเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมจะสัตว์ตัวว่าเป็นธาตุเป็นธาตุข้อเดียวแต่ยกเอามาเป็นประธานก็ ค, คือว่าเป็นธาตุดิ้นไปทั้งหมดหากว่าจะรวมเข้ากัเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดังนี้ก็ทำให้จิตสงบยิ่งขึ้นแน้วก็ไกลาจากที่จะ น้อมเน่าไปเป็นบ้านเป็นกรรมดังกล่าวนั้นด้วยต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังตุนและตั้งใจทำความสงอบสืบต่อไปบั้จากแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาตอรหันตสมมาสัพธิเจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรม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 กายเวทนาจิตธรรมก็กายเวทนาจิตธรรมนี้เองเมื่อยังมีความยึดถือ ว่าเป็นเราเป็นของเราก็เท่ากับว่าเป็นบ้านเป็นหมูค่คนชายหญิงเป็นกามคุณ หรือวัตถุกรรมที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายแต่เมื่อได้ใส่ใจกำหนด ว่าเป็นสักเทวะกายสักเทวะเป็นเวทนาสักเทวะเป็นจิตสักเทวะเป็นธรรมระ ง, งับความใส่ใจกําหนดยึดถือต่างๆดังกล่าวกายเวทนาจิตธรรมนี้ก็เท่ากับเป็น ปากายปาเวทนาป่าจิตปาธรรมและเมื่อได้กำหนดละลายกายเวทนาจิตธรรมลงไปวัดศัก์หรือว่าเป็นธาตุยกเอาปฐวีธาตุธาตุดิน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 กำหนดว่าเป็นป่าก้มย่อมใดสุญญาตาคือความว่างว่างจากความกำหนดหมายว่าเป็นบ้านว่าเป็นผู้คนว่าเป็นวิญญาณกระซับอาวิญญาณกระซัพทั้งหลาย เป็นต้นและเมื่อได้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นแผ่นดินที่ราบลื่นเป็นหน้ากลองไม่กำหนดว่าเป็นป่า ก็ย่อมได้สุญญตาคือความว่างที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าในชั้นแรกเมื่อตั้งใจกำหนดว่าเป็นป่า แม้จะได้สุญญาตาคือความว่างว่างจากความกาหนดหมายว่าเป็นบ้านว่าเป็นผู้คนแต่ก็ยังมีไม่ว่างอยู่คือยังมีป่าและเมื่อ ไม่กำหนดหมายว่าเป็นป่ากำหนดหมายว่าปะทวีปะท ว, ะทวีเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปเป็นหน้ากลองก็ในสุญญาตาคือความว่างจากความกำหนดหมายว่าเป็นป่าว่างจากป่า แต่ก็มาเหลือไม่วางอยู่คือเหลือเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบเป็นหน้ากรองนั่นเพราะฉะนั้นพระ บ, บรมศา ส, สดายังได้ตรัสสอนให้ไม่กำหนดหมายว่าเป็นแผ่นดิน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 คือเป็นช่องว่างไปทั้งหมดว่างจากแผ่นดินหรือจะกล่าวว่าว่างจากปฐวีคือแผ่นดินอาโปคือแผ่นน้ำเตโชคือไฟวาโยคือลมว่างจากดิน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 ย่อมจะทำให้จิตสงบตั้งมัน่นละเอียดขึ้นอีกชั้นหนึ่งคือว่างไปทั้งหมดจิตที่กำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุด